ในขณะนั้นเวละท่านประกาศสอนทำว่าพระจะทรมเป็นของจริทงทงั้งๆที่จะยินว่าสัจะทรมเป็นของจริงแต่ใจที่รู้สึกในสัจธรรมขณะที่ฟังว่าทำเป็นของจริงนั้นมันก็ปอมอยู่อปลอมอยู่โด ย, ยดีเพราะจิตยังไม่จริงอะไรจะจริงก็ทำเมื่อเข้ามาสู่ของปลอมนี้มันจะปลอมไปตาป่างลำหนะ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 เหมือนกันเราเทน้ำลงจากวนเขาไหลตเตลิดเตลิดตนไม่มีอะไรเหลือเลยมันเป็นของง่ายแต่ทั้งนั้นการประกอบความภาคเพียรเพื่อแก้กิเลสนี้จึงเป็นเรื่องที่ยากบ้างเป็นธรรมดาแต่อย่างไรก็ตามยากกับง่ายก็เพื่อจะรื้อถอนตนให้พ้นจากทุกข์เพราะอานาจขอ ง, ของกิเลสกดขี่บังคับออกไปได้โดยลำดับลำดับยงไม่มีความเสียหายทีของเราก็มีท่านี้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 จนรู้จนหลักเป็นนักป่าชแต่เดี๋ยนั่นก็เยอะทั้งๆที่งงโง่เต็มตัวเวลามาของกิเลสครอบไม่รู้สึกตัวมีมากเรื่ว่ า, าสาระภายในจิตใจมันหายากเวลานี้เราทุกําลังหาสาระส ำ, ส, ำสำคัญให้พันให้แส่จิตใจของเราโดยการกติกฝนอบรมคฤษมีเท่านี้แล้วหมดไปทุกวันทุกวันเมื่อวานวานั่นก็หมดไปวันหนึ่งแล้วเรามาอยู่นี่กี่วันนันก็หมดไปเท่านั้นวนัน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 นี่เคลเรื่อ ง, องของกลอมของจิงมาทางทั้งหลายด้วยนี้พิจะะารณาแก้าข ต, ตนเองตัวเองค็อผมากทีกว่าออกเพียงกรนีอย่างรถอะไรมันยุ่งจริงไปปิดแล้วยกออกมาเลยลม <laughs>